ทำบุญแก้กรรมตอนสุดท้ายบทสรุปและขั้นตอนวิธีทําบุญแก้กรรมแนะนำขั้นตอนและวิธีทําบุญให้เจ้ากรรมในเวรโดยตรงสรุปทิ้งท้ายนะครับเรื่องทําบุญแก้กรรมที่เขียนไปแล้วหลายตอนกรรมดีชั่วเมื่อทําไว้ไม่หายไปไหนสุดท้ายแค่รอเวลาให้ผลในวันหนึ่งการแก้กรรมตามหลักพุทธศาสนาถือว่าทาไม่ได้แต่สามารถบรรเทา หรือเลื่อนการให้ผลออกไปได้สิ่งสำคัญสุดสำหรับคนอยากแก้บันเทากรรมคือจิตที่สำนึกผิดและตั้งใจมั่นจะไม่เบียดเบียนใครในทุกด้านอีกแล้วตลอดชีวิตซึ่งต้องยอมรับผลกรรมส่วนหนึ่งด้วยนะครับไม่ใช่จะหนีไม่ยอมรับโทษเลยคนที่เพียรสร้างความดีชดเชยความผิดย่อมได้รับโทษน้อยลงหรือได้รับการอภัยได้ง่ายขึ้นทั้งในโลกนี้และโลกหน้าเจ้า ก, กรรมนายเวรมีจริงนะครับ ยืนยันด้วยข้อความหลายแห่งจากพระไตรปิฎกและบทธรรมานิพนธ์เรื่องชีวิตนี้น้อยนักของสมเด็จพญาณสังวรซึ่งชาวพุทธทุกติกายทั่วโลกทูลถวายให้เป็นผู้นำสูงสุดจ<าก>เจ้ากรรมนายเวรที่ส่งผลกรรมมาสนองคืนอาจแบ่งได้สองแบบอย่างแรกคือกระแสพลังงานที่เกิดจากนิสัยอารมณ์ความเคยชินที่สะสมไว้ในจิตใจเราเองเป็นตัวการใหญ่กาหนดเส้นทางชีวิตให้เราชอบ หรือเลือกสิ่งดีไม่ดีให้ตนเองส่งผลให้คนอื่นรู้สึกกับเราตามพลังที่เราสะสมไว้เช่นใกล้บางคนรู้สึกอึดอัดใกล้บางคนรู้สึกสบายใจซึ่งวิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้แล้วว่าอารมณ์ทุกอย่างส่งคลื่นพลังงานออกมาได้จริงแล้วก็มีรูปแบบแตกต่างกันมีผลต่อโมเลกุลของสิ่งรอบตัวได้และจิตใต้สานึกจะสะสมข้อมูลทุกอย่างไว้เสมอการคิดพูดทาความดี ล้วนส่งให้เกิดคลื่นพลังงานดีแผ่ออกรอบตัวดึงดูดคนดีเข้าหาผลักคนชั่วออกไปคนชั่วเจอคนดีจะมันไสกระแสพลังงานดีมีผลต่อคลื่นสมองที่ส่งให้คิดอะไรได้ลึกซึ้งขึ้นร่างกายหลั่งสารเคมีดีส่งให้สุขภาพดีผิวสวยภูมิคุ้มกันสูงขึ้นตรงข้ามกับการคิดพูดทำชั่วคือจิตเป็นอกุศลซึ่งรวมถึงความเครียดด้วย จิตอากศลนี่ไม่ใช่แค่ทำชั่วทำบากนะครับแต่หมายถึงความเครียดด้วยก็จิตเศร้าหมองก็คืออากุศลทั้งหมดจะทำให้สมองหดตัวความจำลดลงกระตุ้นการหลั่งสารพิษซึ่งเป็นต้นเหตุโรคเรื้อรังหลายชนิดทำให้ภูมิคุ้มกันต่ำลงเป็นกฎแห่งกรรมที่พิสูจน์ได้ในชาตินี้ว่าทำดีส่งผลดีทำชั่วจิตชั่วความเครียดส่งผลไม่ดีต่อตัวเองอย่างไร เจ้ากรรมในเวรแบบที่สองคือเจ้ากรรมในเวรที่มีตัวตนอยู่จริงเป็นมนุษย์หรือสัตว์ที่เราเคยทําร้ายไว้ตัวอย่างในพระไตรปิฎกที่เคยเล่าไว้นะครับว่าเช่นวิญญาณโสเพณีที่เคยถูกฆ่าตายตามจองเวรหลายชาติที่สุดก็ได้โอกาสเข้าสิงแม่โคขิดท่านภายะตายขณะพึ่งบรรลุธรรมเจ้ากรรมในเวรประเภทเนี้ยแม้มองไม่เห็นแต่ก็ทําอะไรได้มากกว่าที่คิดเป็นสิทธิ์จากผลกรรมที่เราทําร้ายเขาไว้ก่อน จึงยกขึ้นสู่สถานะเจ้านี้ที่ได้สิทธิพิเศษสามารถติดตามเราได้ทุกที่เช่นคนทำแท้งมักจะมีผีเด็กเกาะติดตัวตลอดเวลาเป็นสิ่งที่คนมีสัมผัสพิเศษกล่าวตรงกันวิญญาณอาฆาตจะพยายามหาทางแกล้ ง, ลงเราเสมอให้สมกับความแค้นที่เราเคยทำเขาไว้บางครั้งสามารถโดนใจให้เราคิดหรือพูดอะไรผิดทำให้รู้สึกหมุดหงิดอย่างไร้เหตุผลจนต้องพลาดโอกาสสำคัญ ตัดสินใจบางอย่างผิดพลาดซึ่งช่วงเมาเหล้าใจลอยขาดสติไม่รักษาศีลไม่มีบุญรักษาจะเป็นช่วงที่วิญญาณร้ายเข้าแท้ความคิดได้ง่ายนะครับจนเหมือนเปลี่ยนเป็นคนละคนอาจทำอะไรพลาดอย่างไม่น่าเชื่อหรือนำมาซึ่งหายนะใหญ่หลวงท่ามกลางความไม่เข้าใจว่าทำไมเราถึงคิดพูดและทำแบบนั้นออกไปได้เคยไหมครับบางทีงงตัวเองว่าอ้ทาไมเราพูดแบบนั้นทาไมเราคิดแบบนั้น ทั้งที่ใจเราก็ไม่ได้เจตนาแบบนั้นครูบาอาจารย์เคยกล่าวถึงผีพนันผีสุราที่โดนใจคนให้ทำชั่วได้เป็นเรื่องธรรมดาและเกิดขึ้นได้จริงนะครับเจอกับตัวเองมาเยอะตั้งแต่ยังไม่ได้นับถือศาสนาพุทธเลยนะครับเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณเนี่ยทั้งโดนใจให้ทำผิดพลาดและมีตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือดนใจหรือช่วยให้ผลเรื่องไม่ดีอันนี้ก็เจอบ่อยมาก เช่นผมขับรถไปทางหนึ่งและอยู่ดีนึกยังไงไม่รู้เลี้ยวขวาไปเฉยพอหันกลับไปมองเห็นทางที่ต้องไปเนี่ยเพิ่งเกิดอุบัติเหตุถ้าผมยังขับตรงไปก็มีสิทธิ์ไม่รอดได้เหมือนกันแล้วก็เคยมีแฟนเก่าวผมนะครับเขาเลี้ยงกุมารกุมานเนี่ยมีจริงนะครับแต่ว่าไม่แนะนําให้เลี้ยงเพราะอย่างที่บอกนะครับเรามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งพอแล้วกุมารก็แค่ผีเด็กช่วยอะไรเราได้ไม่มากหรอกก็เหมือนคนทั่วไป เขายังหากินเองไม่ได้ด้วยซ้ําไปนะครับแต่ถ้าใครจะศรัทธาก็แล้วแต่แต่ผมคนหนึ่งละไม่เอาด้วยแต่เล่าให้ฟังเนี่ยเพื่อให้รู้ว่าสิ่งเหล่าเนี้มันมีจริงเพราะว่าแฟนเก่าผมเนี่ยเขาเล่นกุมานเมื่อก่อนเนี่ยผมเนี่ยไม่รู้ว่าเขาเลี้ยงแต่เพราะว่าเวลาเราจะโอกรธทะเลาะกันทีไรเนี่ยผมจะรู้สึกเหมือนมีคนมาจีเอวแล้วผมก็จักจ๊กจั๊กจี้จะหัวลอะขึ้นมาเองจะขำอารมณ์ดีขึ้นมาจนต้องหายโกรธซึ่งก็มารู้ที่หลังว่าเขาเลี้ยงกุมา น, นั่นเองแล้วก็ ที่เจอเองก็อย่างที่อย่างที่เคยบอกไปจากหนังสืออีกเล่มนะฮะจะเล่าละเอียดมากว่ามีชายแก่ในชุดขาวประกวดกายมาห้ามผมตอนจะฆ่าตัวตายตอนขับรถไปรถกำลังจะลม้มก็เหมือนมีคนพยุงรถขึ้นก็เจออะไรมาเยอะแบบนี้ฮะก็เลยทําให้รู้สึกว่าค่อนข้างเชื่อมั่นว่าสิ่งเหล่านี้มีจริงประสบการณ์ตรงนะครับทําให้รู้ว่าวิญ ญ, ญาณ ร, รอบตัวมีผลกับชีวิตมากกว่าที่คิดแต่ก็ขึ้นกับความศรัทธากรรมสัมพันธ์ และบาปบุญเวรกรรมที่เราทำไว้ด้วยจิตมนุษย์เหมือนเครื่องรับวิทยุนะครับผีก็เหมือนคลื่นวิทยุหลายคนปากใจแน่วแน่ว่าเรื่องพวกนี้ไม่มีก็เหมือนปิดเครื่องวิทยุไว้ตลอดจึงแทบไม่มีโอกาสได้สัมผัสแม้ต่อให้ท้าทายแค่ไหนบางรายแม้ผีหรือเทวดามาปรากฏทำอะไรให้เห็นก็ไม่เชื่อและคิดว่าจิตหลอนไปเองแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าคนที่ฝันไปเองจิตหลอนไปเอง ก็มีมากกว่าคนที่เห็นของจริงนะครับคนที่รักษาศีลและมีบุญสะสมไว้มากวิญญาณที่เป็นมิจฉาทิฐิจะมากลั่นแกล้งได้ไม่เต็มที่กระแสบุญและความดีที่มากพอจะดึงดูดวิญญาณดีมาช่วยเหลือยกเว้นมีกรรมหนักที่ต้องได้รับผลแม้แต่บางทีพระพุทธเจ้าก็ยังช่วยคุณไม่ได้นะครับถ้าเากิดทำกรรมไวหลายคนมีเทวดาหรือวิญญาณพ่อแม่และคนรักในอดีตมาคอยช่วย แต่ไม่รู้ตัวคิดว่าตัวเองโชคดีการสวดมนต์และทําบุญอุทิศให้เป็นประจํากับวิ ญ, ญญาณที่คอยช่วยเราถือเป็นสิ่งที่ไม่ควรละเลยเพราะเขาจะช่วยเราได้ก็ต้องมีบุญที่เราทําส่งให้เขาเป็นพื้นฐานด้วยศา ส, สนาพุทธไม่ได้สอนให้หวังพึ่งสิ่งอื่นนะครับแต่การทําดีแล้วเผื่อแผ่ให้วิ ญ, ญญาณทุกพบภูมิรอบตัวถือเป็นการสร้างกุศลเพิ่มกระแสเมตตาในจิตเราไม่เสียหายอะไรเหมือนกับเราผูกมิตรไว้ ยกตัวอย่างถ้าเป็นคนไม่ต้องพูดถึงผีนะครับเอาแค่เป็นคนจิตโกหน้าซอยเนี่ยต่อให้มันเป็นคนเลวแค่ไหนก็ตามถ้าเราเดินผ่านทุกวันเรายิ้มยิ้มทักทายเราซื้อขนมฝากถึงเวลาคนพวกนี้เขาจะไม่ทำร้ายเราแล้วเวลาเรามีเรื่องเขาก็จะมาช่วยเราได้ด้วยเหมือนกันก็เปรียบเทียบเหมือนกับผีเล่ยล่อนหรือวิญญาณทั่วไปเหมือนกันนะครับถ้าเราทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้บ่อยๆสุดท้ายบางทีเกิดเหตุการณ์อะไรไม่ดีบางอย่างเขาก็ช่วยเราได้ปกป้องเราได้ระดับหนึ่งเหมือนกัน อย่างที่พูดไปเมื่อกี้นะครับก็คือสมัยก่อนเนี่ยผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปร้องเพลงต้องผ่านรัชดาแถวโควงร้อยศพที่เขาตายกันเยอะๆเนี่ ย, ยก็เคยฟังมาจากครูบาอาจารย์ว่าเวลาผ่านที่คนตายเยอะๆเนี่ยให้นึกอุทิศบุญนึกถึงบุญที่เราเคยทำอะ่ะยกให้เขาบอกให้เขาไปเกิดในภพภูมิที่ดีขอให้เขามีความสุขสบายผมก็ทำเป็นประจำของผมทุกวันอย่างเงี้ยแล้วก็มีคืนหนึ่งผมขับรถไปแถวนั้นถูกสิบล้อเฉียว คือสิบล้อนะครับคันเบลเลอร์เลยท้ายสิบล้อเฉียวรถผมซึ่งมอเตอร์ไซค์ขับมากำลังจะล้มแตะพื้นมันก็เหมือนมีคนมาพยุงขึ้นมาให้ตั้งตรงได้อย่างน่าอัศจรรย์คือเวอร์ไปเลยอะฮะประมาณว่าใครไม่เจอแบบผมก็คงอธิบายไม่ถูกเหมือนกันผมไปเล่าให้ที่ร้านฟังไว้เนี่ยพี่ผมเพิ่งโดนสิบล้อชนมาเนี่ยทุกคนบอกว่ตอนแหลโกหกโดนชนทาไมไม่เห็นเป็นอะไรเลยรถบุบนิดเดียว เราก็ไม่รู้จะพูดยังไงเราก็บอกว่าก็มันกระเด้งขึ้นมาเองอยู่ดีมันตั้งตรงขึ้นมาแล้วก็ขับต่อผมก็ไม่ได้เอาเรื่องเอ า, าเราวอะไรเขาเพราะว่ามันใกล้เวลางานต้องแล้วเห็นว่าเสียหายนิดเดียวหลายเรื่องนะครับที่ผมเจอมาเยอะมากทั้งเรื่องของการศึกษาศาสนาในด้านของหลักปฏิจจสมุ ป, ปบาทหลักการพ้นทุกข์ดับทุกข์การเจริญสติทั้งการเจอผีเจอวิญญาณทั้งการสารพัดทุกอย่าง เจอมาเยอะจนต้องมาศึกษาหาคําตอบในพระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับเพราะว่าศาสนาเก่าของผมเนี่ยไม่สามารถตอบปัญหาให้ผมได้เลยในสิ่งที่ผมสนใจอยากรู้อยากถามถามไปเขาก็ตอบรอไม่ได้ผมก็เริ่มหาตํำราของศาสนาพุทธมาอ่านก็จนเจอคําตอบที่ลึกซึ้งกว่าสิ่งเล้นลับนั่นคือทางดับทุกข์แล้วก็ไม่ได้อยากเล่าเรื่องพิสดารพวกนี้ให้ใครฟังเท่าไหร่หรอกนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่สาระสําคัญหรือทําให้ตัวผมดูดีขึ้นมาเลยสิ่งที่อยากเน้นคือ การทำความดีการเจริญสติต่างหากเวลาเล่าเรื่องผีเรื่องแปลกๆเนี่ยนะฮะบางคนก็จะไม่เชื่อแล้วก็จะหาว่าเราโกหกบางทีก็อยากถามกลับเหมือนกันนะครับว่าคนอย่างผมเนี่ยไปโกหกคุณแล้วผมได้อะไรผมไม่ได้เปิดสำนักรงผมไม่ได้อะไรกับการเผยแพร่ธรรมะที่ทำอยู่เป็น1 0ๆปีนี้เลยผมมีแต่อัดเสียงแล้วก็ให้คนดาวน์โหลดฟรีทาซีดีแจกฟรี เกิดว่าผมมีเปิดสํานักทรงให้คนบูชาครูแล้วผมมาเล่าว่าผมเป็นผู้วิเศษเจอนั่นเจอนี่อะไรอย่างนั้นเออมันยังน่าคิดแต่นี่ผมก็เน้นตลอดว่าการเจริญสติการศึกษาธรรมะที่ดีที่ถูกต้องเท่านั้นเป็นท่านดับทุกข์แต่ว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่มีอยู่จริงและเราได้เจอมาเราก็เลยมาเล่าให้ฟังเป็นพอเรื่องเป็นน้ําจิ้มพอให้รู้สึกมันมีรสชาติเท่านั้นเองซึ่งถ้าเป็นครูบาลสายปฏิบัติจริงๆท่านเจอมาเยอะกว่านี้เยอะ แต่ส่วนใหญ่ท่านจะไม่พูดเพราะรู้ว่าพูดไปแล้วจะทำให้คนงมงายนะครับ